50 languages. เหตุผลบางประการว่า 1. ทไมคุณไม่มาคะอากาศแย่มาก มรสุมบ้าดแกราบดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มากแม่ไม่มาเพราะมรสุมแกราบเหยทาไมเขาถึงไมมาคะว่าเขาไม่ได้รับเชิญเขาไม่ได้รับเชิญเขาไม่มาเพราะเขาไมได้รับเชิญ ว่าไมไม่มาเพฉันไม่มีเวลาที่ฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา ทำไ ม, มคุณไม่อยู่ต่อละ่ะคะทุ่มคิวไม่หยุดเลยโฮดิฉันยังต้องทำงานค่ะม ुझे เจคาม์กันาฮดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะแม่ไม่หยุดคุ้งกะคิมคิ मुझे का คาม์กันาเฮทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะอาบคิวจ้าเรเฮเฮ ดิฉันเหนื่อยค่ะไม่ทกะหัวหงดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะไม่จะอะไรฮะฮูคิดแม่ทกะหัวฮูทำไมคุณจะไปแล้วล่ะค่ะอาบคิวจะอะไรเหนดึกแล้วค่ะกาฟิเดร์ฮุกยเี่ดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะ